เราแหล่งที่จะทำให้เกิดความเพียรมากที่สุดแหล่งอันนั้นเน่ยจะหาได้จากที่ไหนก็ที่นานพระไตรปิฎกแต่เข้ามีนะสัตทินซีเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยอินรีห้าจริงๆเนี่ยจะเจริญโดยอาการสิบห้าจริงจแล้วจเจริญโดยอาการสิบห้าแต่นี่เราพูดถึงในในด้านนามธรรมาก่อนว่าไปหา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 กี่เรื่องเนี่ยนะกี่เรื่องต่อกี่เรื่องต่ อ, ตอวันวันหนึ่งใจเราไหนเนาจะช่วยให้เราพ้นทุกข้อปฏิบัติเราไหนเนอที่จะช่วยให้เราพ้นทุกยาเราหลายท่านบอกแหมเขามีความมั่นใจจริงๆคุณมั่นใจจริงตามคําสอนหรือว่าคิดว่าตัวเองมั่นใจเอาอะไรมาเป็นหลักประกรันว่ามั่นใจเนี่ยนะอย่างที่ที่อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยอย่างที่เราเรียนมัชฌิมนิกายมูลปัญณาจุลสีหนาสูตรบอกท่านเอาอะไรเป็นข้อมั่นใจของท่าน ก็ที่ข้อมั่นใจของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเลื่อมใสอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมความเลื่อมใสของข้าพเจ้าในสาวกทั้งหลายเนี่ยมีข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสอย่างยิ่งในศีลเป็นต้นและที่สําคัญอ่ะบุคคลนั้นต้องเห็นอริยสัจก็คือที่สําคัญคือเขาเห็นอริยสัจวันเขาเห็นอริยสัจมีศรัทธาอันมั่นคงแบบที่เราสวนเมื่อกี้ ส่วนผู้ใดแลถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะสรณะเอ่อเป็นที่ไปในเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าสารณะของบุคคล น, นั้นแลกเกษมปลอดภัยสารณะนั้นอุดมสูงสุดเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นอริยสัจนะพันการเอ่อเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั้นพื้นฐานที่สําคัญต้องเป็นไปเพื่อการรู้เห็นอริยสัจขอให้เราเนี่ยตั้งอัธยาศายตั้ง เจตนาตั้งเจตจำนงเพื่อให้เห็นอริยสัจซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสัจจะทั้งหลายเนี่ยก็เปิดเผยหมดแล้วความจริงทั้งหลายชาติชรามรณะก็เปิดเผยให้เห็นหมดเยอะแล้วจะเห็นหรือไม่อยากเห็นหรือไม่เชื่อไหมว่าเห็นอริยสัจแล้วพ้นจากทุกจริงเป็นต้นอันนี้ต้องพยายามปรับทัศนคติปรับความรูป้ปรับความเข้าใจตั้งเจตนาลมเอาให้ดีๆเนี่ยนะเพราะว่างานนี้ถ้าพลาดและยาว จริงพระและยาวแค่ไหนก็กว่าจะเจอพระพุทธเจ้าองค์หมานั่นแหละแต่ก็ได้ว่าประมาณในตอนนี้กำลังว่าจะทํำยังไงให้เรามันเข้าใจความจริงที่สุดเท่าที่จะเข้าใจได้ตั้งทัศนคติอย่างไรเนี่ยนะปรับทัศนคติอย่างไรเพราะว่าคนที่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะต้องศึกษาปัจจัยที่หลักๆในชีวิตอยู่สองปัจจัยด้วยกันอันหนึ่งที่เรียกว่า กรรมปัจจัยสองอุปนิสัยปัจจัยเรากำลังโดยกรรมปัจจัยเนี่ยเรากำลังทำให้ตัวเองได้รับผลอะไรต่อไปในอนาคตเราก็ต้องมองว่าตอนนี้เราคือชาวสวนที่กำลังเพาะเมล็ดพันอยู่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากาลังเพาะเนี่ยมันจะให้ผลออกมาเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยเรียกว่าโดยกรรมปัจจัยกำลังเพาะเหตุเพื่อให้มีผลอะไรอันนี้อันดับที่หนึ่งนะ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 เว้นจากปานาติบาหรือเจตนาเพื่อการฆ่าอันไหนจะมากวกว่ากันนะครลองมา เ, าเช็คดูนะที่ที่เราศึกษาอยู่เนี่ยเราต้องคํานวณได้เลยว่ากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอ่ะที่เรากําลังทาอยู่เนี่ยเรากําลังสร้างอัธยาศัยอะไรให้ตัวเองในอนาคตอนาคตของตัวเองหนึ่งโดยโดยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยนะหนึ่งเจตนาของเราภัยเป็นไปเพื่อการฆามีไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะฆ่า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 เพราะแม้แต่ว่าความคิดที่จะให้มียังไม่มีเลยแบบงั้นเถอะความคิดที่จะเป็นโสดาบันยังไม่มีเลยเพราะโสดาบันเนี่ยมีไหมเจตนาแห่งการฆ่าเจตนาอันนั้นพระโสดาบันมีไหมของเราถ้ามีเรื่องมารบกวนมีอันใดอันหนึ่งถูกกลั่นแกล้งโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะสมมุติว่ามียุงอยู่ตัวหนึ่งมาบินว่อนอยู่นั่นแหละทั้งตากตอมตา ก, ก็าแล้วตอมหูก็แล้วพอปิดหน้าผากเอพอเปิดตรงไหนมันก็กัดอนะเปิดหน้าผากก็กัดหน้าผากแล้วมันตานอยู่งั้นแหละ คิดจะฆ่าหรือว่าคิดจะทำไงไมันไม่ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะคนอื่นเขาก็ส่งเสริมฆ่าเธอฆ่าเธอะทำร้ายเธอะคือวิธีไล่สมมุติวา่ามีวิธีเดียวเนี่ยเราจะทํำยังไงอาไ่านะเอาไว้เออเขาบินต่อไปฮะลุเออไปด้วยกันละกันนะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งที่รักมากอย่างเงี้ยนะอ่านะท่านหนึ่งเจตนาแห่งการฆ่ามีไหมสองเจตนาที่จะรักเนี่ยเรามีไหม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 คดโกงเนี่ยนะเจตนาอันเนี้ยตัวนี้ของเราเนี่ยหนักแน่นแค่ไหนข้อต่อไปกามีนะถ้ามีได้ช่องได้โอกาสเป็นต้นเนี่ยทาไมข้อต่อไปมุสาเราจะพูดความจริงไหมด้วยเหตุผลใดเราก็จะขอพูดแต่ความจริงไหมหรือโดยที่สุดอยากหัวรเราะพูดมุสาเพื่อหัวเราะเล่นถ้าต้องการแค่มุสาเพื่อจะให้คนอื่นคําแม้โจกเก่งมากนะ เละเลยจริงๆลาะชาติหน้าว่างั้นเถ อ, อะตายเป็นโจกเองในอนาคตว่างั้นเถอะเละแน่ะนะพ่อพูดเขายอยากให้คนอื่นเขาเป็นโจกในที่สุดตัวเองก็เป็นโจกอนาคตอ่ะเพราะถูกเขาเอาไปทำโจกแน่เพราะอะไรเพราะเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะแล้วเจตนาที่จะดื่มสุรานี่มีไหม ก็ถามดูเจตนาแล้วเจตนาในกรรมบทแต่ละข้อแต่ละข้อเพราะเจตนาเนี่ยนะเรามาวัดใจเอาเรากำลังสร้างอุปนิสัยอะไรให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะมันถ้าถ้าเป็นคนที่ศึกษาธรรมะแล้วหวังความเจริญโดยส่วนเดียวไม่มีผลอ่าไม่มีผิดไม่มีพลาดต้องคำนวณตัวเองในอนาคตว่าภายในสมวัน7วันสองปีสามปีข้างหน้าแนวความคิดของเรานี่จะเติบโตไปอย่างไร ที่จริงถ้าถ้าพูดผงบอกอ้แล้วคนมันจะคํานวณได้ขนาดนี้เลยหรือแต่จริงๆเชื่อไหมทางโลกเขาคํานวณออกมาเป็นเรื่องปกติหมดแล้วเรื่องค้าเรื่องค้ายเรื่องทุกอย่างนะเขาคํานวณออกมาหมดเขาคาดการออกมาหมดแต่คนที่ศึกษาธรรมะนี่คาดการ์บ้างไหมว่าปีหน้าเราจะคิดอะไรแล้วความคิดเราจะเติบโต ว, ว่าอย่างไรถ้าบอกโอ้ยอะไรก็ไม่แน่นอนสักอย่างแสดงว่าโลเลที่สุดกําลังโลเลว่าไม่มีหลักการอะไรเป็นของตัวเองแม้แต่นิดเดียว เนี no ่ยนะไม่มีความมั่นใจอะไรเลยถ้าไม่รู้เนี่ยนะหรือบางคนนะเขมาเพิ่งเจอมาอันนั้นก็โอหันตาก็ก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยเราจะไปอะไรมันบอกนั่นให้มาได้อย่างนี้สิเพาะมันเพราะมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนท่านเราจะไปสนใจมันทาไมใช่ไหมอดีตมันก็หมดไปแล้วในอดีตพี่สัตว์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบอกโอ๊ยเขามาทําเวรทากรรมอะไรมานาะเนี่ยนะมาเจออย่างนี้